แม่เป็นอะไรเสียอะไรมีปัญหาเรื่องปอดแล้วก็พอดีว่าลม้มแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลก็เลยชุบเร็วอายุเท่าไหรนะ่น่ะแปดสิบแล้วคเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของคุณแม่ก็ไปตามบุญตามบาปคุณ แ, แม่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย กุแม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปทำอะไรต่างๆร่างกายพอหมดสภาพก็ต้องจแยกจากกันร่างกายไปสู่ดินน้ำลมไฟใจไปสู่สวรรค์ไปสู่อบายตามบาปตามบุญที่ทำไว้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ มาเป็นแม่เป็นลูกใหม่มาเป็นลูกก่อนมาเกิดก็เป็นลูกอโตขึ้นก็เป็นสามีเป็นภรรยาต่อไปก็เป็นแม่เป็นพ่อเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่าแล้วเดี๋ยวก็เป็นดินน้ำลมไฟใหม่นี่คือวงจรของร่างกายมันก็ เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนี่เป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนี้ส่วนใจก็มาเกาะร่างกายแต่ละร่างแล้วก็ใช้ร่างกายมาทำบุญทำบาปถ้าฉลาดก็ใช้ร่างกายมาหยุดการเกิด ยุดการทำบุญหยุดการทำบาปหยุดการกระทำทั้งหลาย เ, าเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่นานนจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มาเกิดมาได้ร่างกายแล้ว เ, เห็นว่าการทำบุญทำบาปนี้เป็นโทษ เ, เห็นการกระทำตามความอยากต่างๆทำให้พา ให้กลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากไปรับผลบุญผลบาปก็เลยค้นคว้าหาสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุที่ทาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ก็ได้พบว่าเกิดจากความอยากสามประการกาม m a tanhā, p a r a t a n h ว v i p a r a t a n ถ้ามีความอยากกาม m a t a n h อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสนอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดนมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายก็ทําให้ต้องมามีตาหูจมูกลิ้นกาย พอถ้าไม่มีตาหูจะบูกมือกายก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภพได้พอไม่มีร่างกายก็ต้องหาร่างกายอันใหม่พอที่ไหนก็มีผลิตร่างกายกันก็ไปไ ป, ไปจับจองร่างกายอันนั้นเวลามีการผลิต เวลามีการเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์นี้ก็เป็นการผลิตร่างกายอันใหม่เชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมกันก็จะก่อตัวก่อร่างกายอันใหม่ขึ้นมาพอจิตที่ไม่มีร่างกายที่ตายมาที่เสียร่างกายอันเก่าไปพอพ้นจากบุญจากบาปแล้วก็ มารับร่างกายที่กําลังผลิตขึ้นมาเนี่ยตอนต้นก็อยู่ในท้องแม่เก้าเดือนหลังจากเก้าเดือนก็โตเต็มที่ก็ออกมาจากท้องออกมาก็จะเริ่มเติบโตด้วยอาหารดินด้วยดินน้ําลมไฟอาหารก็มาจากดินน้ําลมไฟ อาหารข้าวนันก็มาจากดินผักก็มาจากดินผสมกับน้ำปลูกข้าวไม่มีน้ำก็ปลูกไม่ขึ้นต้องมีดินมีน้ำมีลมมีอากาศให้ข้าวหายใจแล้วก็มีความร้อนถ้าหนาวเกินไปก็ถ้าไม่มีความร้อนก็หนาวเป็นเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนืออย่างนั้นก็ไม่สามารถจะปลูกข้าวได้ ต้องมีอุณหภูมิที่พอดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปก็ทำให้ผลิตอาหารต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็เอาอาหารนั้นเข้ามาร่างกายก็เอามาเสริมอาการ32ของร่างกายให้เจริญเติบโตวเวลาออกมาจากท้องแม่นี่หนักแค่กิโลสองกิโล ออกกินน้ำกินอาหารกินนมอะไรต่างๆเข้าไปก็ค่อยๆเจริญเติบโตอาการสาสองก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผมก็ยาวขึ้นฟันก็ใหญ่ขึ้นเล็บก็ยาวขึ้นหนังก็ใหญ่ขึ้นเอ็นกระดูกก็ใหญ่ขึ้นหัวใจปอดพังผืดตายปอดลำไส้ต่างๆก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น พอ20ปีก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะมาจากดินน้ำลมไฟเห็นชัดชัดแล้วในร่างกายนี้ก็ไม่ไม่มีตัวเราของเราตัวเราก็คือใจตัวรู้ตัวคิดเพียงแต่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความจริงแล้วใจเพียงแต่มาเกาะที่ร่างกาย ด้วยการส่งกระแสวิญญาณมาห้าเส้นด้วยกันมาเกาะที่ตามาเกาะที่หูมาเกาะที่จมูกมาเกาะที่ลิ้นมาเกาะที่ร่างกายเขาเรียกเสตะวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณคือกระแสการรับรู้ของจิตมาเกาะที่ตาถึงจะได้เห็นจะได้รู้ภาพได้พอตาเห็นภาพ วิญญาณก็จะรับภาพนี้ส่งไปให้ที่ตัวรู้คือจิตตัวรู้นี่เป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับ อ, อะไรเนี่ยตัวที่มันมีหลายๆขาะไเหมือนปลาหมึกนี้ปลาหมึกยักษ์นี่มันมี มันมีขามีแขนอะไรมันก็ส่งไปเกาะติดกับสิ่งต่างๆวิญญาณก็มี5 5ขา5าสายมีห้าวิญญาณจิตมีส่ง5้าวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รับภาพรับรูบบ้รูปเสียงกลิ่นรสที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัส พอเราดูเลาหลับตาเนี่ยก็จะไม่เห็นภาพพอลืมตาภาพก็จะเข้ามาที่ตาแล้วภาพที่เข้ามาที่ตาก็จะถูกส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งที่เรียกว่าโลกทิศใจนี้อยู่ในโลกทิศร่างกายนี้อยู่ในโลกกระทางเชื่อมต่อด้วย กระแสของวิญญาณของใจแต่ละดวงพวกเราก็มีมีร่างกายมีใจส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายอันนี้แต่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้เพียงแต่ความรู้สึกมันทำให้รู้สึกว่าอยู่ในร่างกายอันนี้พอไปสัมผัสนับรู้ความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นเวลาปวดท้องก็รู้สึกว่าปวดท้อง ปวดหัวก็รู้สึกว่าปวดหัวอันนี้เรียกว่าปวดทพะการสัมผัสผ่านทางร่างกายถ้าปวดตาก็อันนี้เป็นการสัมผัสผ่านทางตาเห็นผ้าที่มันแสงแสงแดดจ้าอย่างนี้มันก็ทําให้ปวดตาได้ฟังเสียงที่มันดังก็ทําให้ปวดหูได้ ใจเป็นเพียงผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสที่ร่างกายแต่ใจไม่ฉลาดก็เลยหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็เลยคิดว่าเป็นไปกับร่างกายความจริงใจนี่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเหมือนกับคนที่ดูภาพยนตร์เนี่ย ไม่ได้เป็นอะไรไปกับภาพยนตร์แต่ดูแล้วก็อดเสียวไปกับภาพภาพยนตร์ไม่ได้เห็นผีก็อดกลัวกับผีบนจอภาพยนตร์ไม่ได้เห็นอาหารเห็นขนมก็อดที่อยากจะกินตามภาพที่เห็นไม่ได้ก็เลยคิดว่าตนเองอยู่ในจอภาพยนตร์ ถูกยิงก็คิดว่าตัวเองถูกยิงด้วยเวลาดูภาพยนตร์เรามักจะคิดว่าเราเป็นพระเอกนางเอกกันพอพระเอกเป็นอะไรนางเอกเป็นอะไรเราก็เตื่นเต้นตกใจไปกับพระเอกไปกับนางเอกเพราะใจเราไปส่งความรู้สึกไปที่ตัวแสดงอันนี้ก็เหมือนกันใจเราส่งความรู้สึกมาเกาะติดอยู่กับร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปกับร่างกายเวลาร่างกายปวดท้องใจก็ปวดท้องไปกับร่างกายเวลาร่างกายปวดหัวก็ปวดหัวไปกับร่างกาย น, นี่เลยทําให้คิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนเดียวกันความจริงเป็นสองคนอยู่กันคนละที่เหมือนกับคนที่ ควบคุมหุ่นยนต์อย่างนี้หุ่นยนต์ที่เราใช้ไปกู้ระเบิดํดำนวนก็มีหุ่นยนต์เอาไปกู้ระเบิดเพราะเขาไม่อยากเอาตัวเขาไปกู้เดี๋ยวเปิดพลาดระเบิดตัวคนกู้จะตายก็เลยทำหุ่นยนต์แล้วก็ใช้กระแสะวิทยุควบคุมหุ่นยนต์สั่งให้หุ่นยนต์ ไปข้างหน้าไปหาไปกู้ลูกระเบิดแล้วก็ใช้กล้องใช้ไมโครโฟนรับรูป ก, กับเสียงแล้วก็ส่งกลับมาทางกระแสวิทยุกระแสวิทยุก็เหมือนกับกระแสวิญญาณที่ใจใช้มาเกาะกับร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิด สมมติว่าถ้าไปกู้ระเบิดแล้วเกิดพลาดระเบิดตูมตามขึ้นมาใครตายนะก็หุ่นกู้ระเบิดที่ตายแต่คนกู้ระเบิดไม่ได้คนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดไม่ได้ตายไปด้วยเพราะอยู่คนละที่อยู่ไกลอยู่ที่ปลอดภัยใจของพวกเราก็เหมือนกันอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่ไม่มีวันตาย ใจเรามจึงไม่มีวันตายกันอยู่ในโลกทิพย์นีโลกทิพย์นี่ไม่มีวันตายกันใจก็พอไม่มีร่างกายขาดการสัมผัสขาดการเชื่อมต่อเหมือนกับคนที่ควบคุมหุ่นที่ไปกู้ระเบิดเกิดมันระเบิดขึ้นมาหุ่นนั้นพังไปก็ไม่สามารถติดต่อกับหุ่นนั้นได้นะกระแสวิทยุเครื่องรับวิทยุมันใช้การไม่ได้ เขาก็เลยต้องไปหาไปสร้างหุนอันใหม่ขึ้นมาเพื่อมาทำหน้าที่ต่อไปถ้ายัางต้องการจะกู้ระเบิดอยู่ก็ต้องไปสร้างหุนกู้ระเบิดตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้เอามาใช้ในการทำงานต่อไปร่างกายของพวกเราเราก็มีไว้ทำไมไม่ได้ไปกู้หุนระเบิดหรอกไมไ่ได้ไปกู้ระเบิด แต่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกรินกายกันเพราะเรามีความอยากอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากกินนั่นกินนี่อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็เลยต้องสร้างร่างกายขึ้นมาเป็นตัวที่จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ใจเสก แล้วถ้าเกิดไปพบอุบัติเหตุเดินไปท่องเทีททเท่ยวเกิดเครื่องบินตกหุ่นนั้นก็จบร่างกายนั้นก็หมดสภาพไปตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก่อนจะไปหาร่างกายใหม่ก็แวะไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้ามีบุญก็เหมือนมีหนี้มีโทษไปติดคุกติดตารางในอบายไปใช้โทษใช้บาป ไปเป็นเดราาัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรกายไปตกนรกก่อนพอบาป ท, ที่ทำไว้มันหมดกำลังที่จะดึงเหมือนโทษพ้นโทษเหมือนคนที่ติดคุกพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาจากคุกเพื่อให้มาหาร่างกายอันใหม่มามีร่างกายอันใหม่ส่วนพวกที่ทำบุญก็ไปรับผลบุญ ไปรับผลบุญก็เหมือนไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้อยู่โรงแรมระดับนั้นระดับนี้ระดับสามดาวบ้างสี่ดาวบ้างห้าดาวบ้างแล้วแต่ว่าทำบุญมากทำบุญน้อยพอบุญหมดเหมือนกับไปเที่ยวแล้วเงินหมดก็ต้องกลับบ้างกลับมาหาเงินใหม่พอบุญหมดไม่สามารถไปเที่ยวในสวรรค์ได้ ก็ต้องมาหาร่างกายอันใหม่มาใช้ร่างกายใหม่เที่ยวแทนก็มารอจังหวะดูว่าใครกำลังผลิตลูกกันใครกำลังสร้างลูกกันอยู่สมัยนี้การมาเกิดเปนมนุษย์นี่ยากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มียาคุมกำเนิอดอีกบางทีเสพมีการเพศสัมพันธ์แต่ไม่มีการไม่มีการเชื่อมต่อระหว่าง เชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ร่างกายอใหม่ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้หรือถ้าถ้าพังเผยเกิดมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็มีย า, าทำแท้งซะเองอย่างนี้การมาเกิดเป็นมนุษย์ไรายากขึ้นยากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือคุมกําเนิดต่างๆสมัยก่อนจะมีลูกกันเป็นโหลนะ พ่อแม่เนี่ยมีคนพ่อคนนึ่พ่อแม่มีลูกสิบคนแปดคนเก้าคนสมัยนี้มีแค่คนคนึงสองคนเพราะเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายมันสูงเลี้ยงลูกสักคน น, นี่มันต้องหมดเงินทองไปเยอะก็เลยไม่มีความสามารถที่จะมีลูกมากได้ ก็เมีได้ที่ละคนสองคนยกเว้นพวกที่ไปทำผสมเทียมนี่ทำที่หลายๆคนเผื่อไว้มันก็มันติดมันก็เลยเ อ, ออกมาเป็นฝูงเหมือนไงวันก่อนมีครอบครัวหนึ่งเอาลูกมาใส่บาทสี่คนนป็นพี่น้องแปดสี่คนหน้าตาเหมือนกันหมดโอ้ยใส่บาทรุ่นกันไปหมด นี่คือเรื่องของใจกับร่างกายให้เราทำความเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเราไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวมันความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงที่ว่าเราเป็นร่างกายก็เลยไม่อยากให้ร่างกายมันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายความไม่อยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตาย คามแก่ความเจ็บความตายไม่สามารถทําให้ใจทุกข์ได้เหมือนกับคนที่ดูหนังถ้ารู้ว่าเป็นหนังก็ดูเฉยๆไม่มีไปอยากให้ไพ่เอกแพ้หรือชนะใจก็ไม่ตื่นเต้นตกใจไปกับไพ่เอกนางเอกแต่ที่มันตื่นเต้นตกใจไปกับไพ่เอกนางเอกเพราะมีความอยากอยากให้ชนะอยากให้จบดีอยากให้ไพ่เอกพบนางเอกอนี้พอเกิดมีเหตุการณ์ที่ทําให้ อาจจะไม่พบกันก็เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาอันนี้เป็นความความอยากของใจเองที่ไปอยากกับสิ่งที่มันไปดูไปเห็นไปรับรู้ดูใหม้มดูฟุตบอลไปไงถ้าไม่ไปสนใจดูเฉยๆมันดูไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันก็ไม่มีตื่นเต้นอะไรแต่พอไปรู้ว่าในทีมชาตินี้ทีมชาตินั้นเราก็อยากให้ทีมนี้ชนะทีมนู้นโอ้ที่ใจมันตื่นเต้นขึ้นมาเลย มันเล้าใจขึ้นมาแล้วพอแพ้ก็เสียใจไปกับเหตุซึมเศร้าไปเลยบางคนพอแพ้ขึ้นมาถ้าชนะก็ฉลองกันทั้งคืนเลยนี่แหละคือใจมันบ้ามันไม่รู้เรื่องมันไม่ไม่รู้เรื่องว่ามันกําลังสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับตัวมันเองด้วยการไปเกิดมีความอยาก อยากน้นมันก็ต้องตื่นเต้นละมันต้องคอยลุ้นแล้วว่าจะได้ดังใจอยากหรือเปล่าถ้าอยากได้แฟนพอชอบคนนี้ก็ใจก็เต้นแล้วเนี่ยจะได้แฟนคนนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องไปคอยจีบไปคอยอะไรใจก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลแต่ถ้าไม่มีความอยากได้แฟนก็เฉยๆไม่เดือดร้อน เขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเราก็ไม่เดือดร้อนเลยแต่พอมีความอยากได้เขามาอยากใหเขาชอบเราที่โอ้ตื่นเต้นแล้วนี่แต่เขายิ้มให้เราหน่อยนี่โอ้ใจนี่พองฟูขึ้นไปเลยพอเขาไม่สนใจหน่อยโอ้ใจนี่ตกบูบตรงไปนี่แหละคือใจของพวกเราที่เราขึ้นเราลงนี่ก็เพราะความหลงของเราความอยากของเรา พอได้ตามความอยากก็ดีใจพอไม่ได้ยังใจอยากก็เสียใจเศร้าใจเนี่ยความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายแก่เจ็บตายนี่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราแล้วเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วไม่เดือดร้อนนี่เราเป็นเหมือนคนดูหนัง ดูร่างกายว่าเป็นเราความจริงร่างกายเป็นเหมือนตัวแสดงในภา พ, พยนตร์แล้วเราไปเชียร์มันว่าเป็นเราก็เราอยากให้มันดีอยากให้มันเก่งอยากให้มันได้อะไรอย่างที่เราอยากได้พอมันได้เราก็ดีใจไปกับมันพอมันไม่ได้ก็เสียใจไปกับมันแต่ถ้ารู้ทันมันว่าเป็นเพียงภา พ, พยนตร์เดี๋ยวก็จบเดี๋ยวหนังก็จบ จะได้มากได้น้อยจะเสียมากเสียน้อยเดี๋ยวตายไปก็หมดลบทิ้งหมดร่างกายชีวิตเรานี่พอตายไปเหมือนกับเอาอย่างลบมาลบชีวิตของเราประวัติของเราตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาจนถึงวันตายนี่มันถูกลบทิ้งไปหมดเหลืออยู่แต่ในความทรงจําเท่านั้นคนที่เขาอยากจะจําก็ยังจําเราได้อยู่เหมือนเราอยากจะจําพระพุทธเจ้านี่เราก็ยังจําพระพุทธเจ้าได้อยู่ พระพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตัดสูุ้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายไปตอนอายุแปดสิบปีแต่ตัวร่างกายของพระเจ้านี้มันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่มีเหลืออยู่แล้วในโลกนี้เหลืออยู่ในในประวัติเท่านั้นเองอยู่ในความทรงจำ <c oughs> ชีวิตของพวกเราทุกคนก็เหมือนกันเดี๋ยพอตายไปมันก็หมดแล้วเราได้มามากได้มาน้อยเท่าไหร่ เสียไปมากน้อยเท่าไหร่มันก็หมดไปความสุขความทุกข์ที่ได้จากร่างกายนี้พอร่างกายนี้ตายไปมันก็หมดไปเหลือแต่ใจที่ยังหลงหรือหรือไม่หลงท่านนอถ้าหลงก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเล่นละครเรื่องใหม่มาเกิดใหม่ชานี้มาเกิดเป็นคนไทยชาติหน้าอาจจะไปเกิดเป็นคนจีนก็ได้ อาจจะไปเกิดเป็นฝ้าหลังก็ได้แล้วแต่ว่าจะไปเจอร่างกายอันไหนแล้วก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ไปเล่นบทใหม่ก็ไปเล่นแต่ก็ไปเล่นแบบเดิมเล่นแบบทุกข์ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เพราะมีความอยากเหมือนเดิมยังอยากร่ำอยากรวยเหมือนเดิมอยากรออยากสวยเหมือนเดิม อยากใญอยากโตเหมือนเดิมอยากได้อะไรกงใจอยากเหมือนเดิมพอไม่ได้ก็ทุกข์เหมือนเดิมชีวิตเราก็สุขทุกข์สลับกันไปตามความได้กับความเสียถ้าได้ก็สุขถ้าเสียก็ทุกข์กันไปแล้วพอร่างกายตายไปมันก็เสียหมดได้มาเท่าไหร่ก็เสียหมดได้มาร้อยล้านพันล้านตายไปก็เสียหมด เป็นใหญ่เป็นโตระดับไหนพอตายไปมันก็หมดถูกลบทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือเราก็กลับมาใหม่ก่อนจะกลับมาใหม่ก็ไปหาไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าได้มาเจอคนะลาดอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกเคล็ดลับบอกความลับที่เราไม่รู้กันว่าถ้าไม่อยากจะไม่เล่นละครอย่างที่เราเล่นกันอยู่นี้ก็ ตัดความอยากเลยอยากไปอยากดูอยากฟังลิ้มรสดมกลิ่นอยากไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากไปอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นร่างกายก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปลาบยกสรรเสริเงินทองตำแหน่งอะไรก็อยากไปอยากได้อยู่แบบ คนธรรมดาราษฎรเต็มขั้นดีกว่าไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนถ้าอยากเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันต้องเดือดร้อนตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในพนมันก็ทุกไปทุกขั้นพออยากก็ตื่นเต้นเวลาที่เขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกัน พอได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจแล้วก็รอรอไปรอวันขึ้นขั้นปีใหม่ต่อไปก็ไปตื่นเต้นกันใหม่ชีวิตเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าตัดความอยากได้แล้วมันจะเฉยมันไม่ได้เดือดร้อนกับยศกับตำแหน่งกับเงินกับทองกับคนนั้นกับคนนี้ไม่ต้องมีแฟนกันอยู่ได้ คนที่ไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยแต่ถ้ามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะมีแฟนไม่มีแฟนก็เหงากินไม่ได้นอนไม่หลับต้องเวลานอนต้องกินยานอนหลับเพราะความอยากทำให้นอนไม่หลับแต่ถ้าไม่มีความอยากหูถึงหมอนเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นปุ๊บเดียวหลับนะ มันไม่มีความอยากมันไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวความเวลาไม่มีความอยากนี้ใจจะสงบใจจะสบายพอมีความอยากแล้วไม่สงบแล้วไม่สบายแล้ววุ่นวายแ ล, e. ล้วกังวลก้าวายกระสับกระส่ายอย่างแม่เสียนี้ก็ไม่สบายเพราะอยากให้แม่ไม่เสียอยากให้แม่อยู่ต่อก็เลยไม่สบายแต่ถ้าไม่มีความอยากให้แม่อยู่ต่อก็ไม่เสียใจเฉย รู้ว่าถึงเวลาที่แม่ต้องไปก็ปล่อยให้แม่ไปใจก็ไม่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนก็แสดงว่ามีความอยากอยากกับแม่อยู่ยังอยากให้แม่อยู่ยังอยากให้แม่ไม่ไปแต่ถ้ารู้ว่าใครเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนรู้ว่าร่างกายของแม่ไม่ใช่แม่แม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแม่ก็ไปหาร่างกายใหม่ดีสิดีก็ไปทาสัญญกรรมเนะ สถานการณ์นี่ของเก่ามาทํามันจะดีไงเหมือนกับซ่อมรถเก่าซู้ไปซื้อรถใหม่ไม่ดีกว่ารถมันเก่าแล้วอย่าไปปะไปผุอย่าไปปะมันอะไรเลยไปปะไปพ่นสีใหม่ไปแต่งใหม่เปลี่ยนรถ ด, ดีกว่าใช่ไหมซื้อรถรุ่นใหม่ดีกว่าทิ้งรนเก่าไปขายมันไปแล้วยกให้ขายไปแล้วก็ซื้อรถรุ่นใหม่ เรื่องอะไรมาเปลี่ยนหัวใจมาเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตทำไมเปลี่ยนมันก็อยู่ได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เสื่อมอยู่ดีซู่แปลร่างกายอันใหม่เดียวกัออกมาจากโรงงานอันใหม่ออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆนี้ดีทุกอย่างแข็งแรงอยู่ได้แปดสิบเก้าสิบปียังถ้าเราเข้าใจร่างกายแล้วเราจะดีใจเวลาตายจะได้เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ ใช่ไหมดีกว่ามาทําสัญญกรรมเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนปอดเปลี่ยนตายเปลี่ยนตับมันเปลี่ยนไปก็อยู่ได้มีกี่ปีหรอกสี่ห้าปีสิบปีมันก็ไปแล้วซื้อ<ม>ไปเปลี่ยนร่างกายทั้งร่างะไรดีกว่าเปลี่ยนรถใหม่เลยดีกว่าทำบุญยยเยอะๆจะได้รถดีเมันมีเงินดาวไปไปดาวรถเนี่ย ถ้าบุญเยอะกลับมาเกิดร่างกายจะดีกว่าเก่าถ้าบุญน้อยหรือบาปมากนี่ร่างกายจะเร็วกว่าเก่าคนที่ทำบาปนี่ตายไปพอกลับมาเกิดใหม่นี่จะกลับมาเกิดสู้ร่างกายเก่าไม่ได้จะมีโครคภัยไข้เจ็บอาการอาจจะไม่ครบสามสิบสองรูปร่างผิวพรรณไม่ผ่องใสโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน อายุสั้นเนี่ยอันนี้เป็นอ น, นิสงค์ของการทําบาปพอได้ร่างกายใหม่ก็ได้ร่างกายไม่ดีเหมือนกับคนที่ไปซื้อรถใหม่แต่มีหนี้เยอะจะไปซื้อรถดีได้ไงมันก็ซื้อรถซักรันแทนนั่นแหละใช่ไหมจะซื้อรถใหม่ก็ซื้อไม่ได้แต่คนที่ทําบุญนี่เหมือนกับคนมีเงินเนี่ยพอรถเก่าพังก็เปลี่ยนซื้อรถใหม่เลยได้รถใหม่เอี่ยมออกมาจากห้องโชว์เลย เลือกได้เลยจะเอายี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่งั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดถึงถ้าเรายังไม่สามารถที่จะหยุดการมาเกิดได้อย่างน้อยก็ให้กลับมาเกิดดีกว่าเก่าทําบุญให้มากๆแล้วก็อยากทาบาปรักษาศีลห้าให้ได้แล้วตายไปกลับมาเกิดแต่ละครั้งนี้จะได้ร่างกายที่ดีกว่าร่างกายอันเก่า สวยกว่าเก่ารอกว่าเก่าผิวพรรณทองใสกว่าเก่าอายุยืนยานยืนยาวนานกว่าเก่าผิวพรรณ่องใสฐานะการเงินการทองก็ดีกว่าเก่าเพราะการทำบุญนี้เป็นการฝากเงินไว้ในธนาคารพ อ, อกลับมาเกิดใหม่ก็มีเงินรอเราอยู่แล้วเพราะเรามีบัญชีฝาก ม, มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐี <c oughs> ไม่เลยมาเกิดเป็นลูกขอทานพวกที่ไปทําบาปมาเนี่ยกลับมาเกิดมาเกิดเป็นลูกขอทานเนีพราะไม่เคยทําบุญไม่มีเงินฝากไว้ในธนาคารดง <c oughs> ั้นพระพุทธเจ้าสอนทําให้ทำสามอย่างเนี่ ย, ถ, ยถ้าอยากจะกลับมาเกิดดีก็ทําบุญแล้วก็อย่าทําบาปถ้าไม่ทําบุญทําบา จะกลับมาเกิดไม่ดีเหมือนกลับมาซื้อรถเหมือนไปซื้อรถซากันแทนไม่มีโอกาสที่จะซื้อรถใหม่ของเขาได้เกิดมากี่ชาติก็ต้องไปซื้อรถมือสองมือสามอยู่นั่นา็ไม่มีกำลังที่จะซื้อรถใหม่ได้แต่ถ้าเราทำข้อที่สามได้ก็คือภาวนาหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาซื้อรถใหม่กัน ดีกว่าการไม่มีรถนี่ดีกว่าการมีรถการจะไม่มีรถได้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องใช้รถแล้วถ้าเราไม่ต้องใช้รถมีรถก็ไม่มีประโยชน์จอดมันไว้ในโรงรถมีไว้ทําไมใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องไปไหนมาไหนแล้วบ้านเรานี่มีทุกอย่างที่เราต้องการเราจะไปไหนกอ่นันี่หนละใจของเราถ้ามันตัดความอยากได้หมดมันก็เป็นเหมือนว่าใจมันมีทุกอย่างแล้ว เพราะไม่มีความอยากได้อะไรแล้วก็แสดงว่ามีทุกอย่างถ้ายังมีความอยากอยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่ได้มีทุกอย่างยังอยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ก็ต้องมีรถเพื่อจะได้ขับขับไปซื้อของที่อยากได้อยากอะไรก็ต้องมีรถพาไปแต่พอมีของทุกอย่างในบ้านครบหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปซื้ออะไรอีกแล้วก็ไม่ต้องมีรถรถมีก็จอดทิ้งไว้เฉย ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร <Yeah. S 1> พอไม่มีความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้ว <Yeah. S 1> ก็ไม่ต้องมีร่างกายนะ <Yeah. S 1> มีไปทำไมมีก็ไม่ได้ใช้ yeah. ดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันต์หลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านใช้ร่างกายไปเที่ยวเหมือนพวกเร า, า <Yeah. S 1> ท่านใช้ร่างกายไปกินไปนอนกับใครหรือวว่า <Yeah. S 1> ท่านเลิกใช้ร่างกายหาความสุขแล้วเ <Yeah. S 1> พราะใจของท่านมีความสุข <Yeah. S 1> เต็มร้อยอยู่แล้ว yeah. พวกเรานะใจของพวกเรามีแต่ความทุกข์เต็มร้อยถึงต้องไปหาความสุขมาดับเหมือนกันต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันถึงจะดับความทุกข์ที่อยู่ในใจความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว้าเหวอยู่คนเดียวรู้สึกไม่สดชื่นเบิกบานต้องไปมีเพื่อนไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันถึงจะมีความสุข แต่กินเท่าไหร่ดื่มเท่าไหร่ก็กลับมาบ้านก็หายไปหมดเดี๋ยวก็ต้องออกไปใหม่เพราะใจมันไม่ได้อิ่มไปกับการหาความสุขทางร่างกายใจมันจะอิ่มก็ต่อเมื่อเรามาหยุดมันหยุดความคิดหยุดความอยากพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะอิ่มขึ้นมาแล้วก็จะไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่ต้องมีร่างกายมีก็ไม่เดือดร้อน มันแก่ก็ไม่เดือดร้อนมันเจ็บก็ไม่เดือดร้อนมันตายก็ไม่เดือดร้อนแล้วพอตายแล้วมันก็ไม่เอาใหม่แล้วเบื่อมันก็มีรถมีรถถึงแม้จะดีขนาดไห น, นเดี๋ยวก็ต้องเข้าอู่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดี๋ยวก็ต้องไปซ่อมเดี๋ยวขับไปชนกันก็ต้องเข้าอู่อีกเวลาไม่มีรถก็วุ่นก็เดือดร้อนอีกเคยมีรถใช้ทุกวันพอรถเสียขึ้นมาก็ปวดหัวอีก แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ลดแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับลดถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนกับร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่เดือดร้อนนนเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วเหมือนนมถ้านมมันเสียเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ได้ใช้มันจะซ่อมมันก็ได้ไม่ซ่อมมันก็ได้ปล่อยให้มันพังไปก็ได้ นี่คือประโยชน์ถ้าเราตัดความอยากได้แล้วความทุกเกี่ยวกับร่างกายนี้จะหายไปหมดจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปมีแล้วก็ต้องมาดูแลเหมือนกับมีรถยนต์ก็ต้องคอยรักษารถยนต์ ต้องคอยเติมน้ำมันคอยล้างนะลดให้มัน เ, เวลาเสียก็ต้องซ่อมอต้องซื้อประกันต้องอะไรต่างๆจ่ายค่าทะเบียนมีแต่ค่าใช้จ่าย อ, าอันนี้แหละถ้าเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคาสอนหรือเจอพระสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่ า, าวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ทำอย่างไรก็คือต้องไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาไปถือศีลแปดกันทำไมต้องถือศีลแปดสื 8, อศีลห้าไม่ได้นะศีลห้ามันไม่พอเหมือนรถขึ้นเขาเนี่ยใช้เกียร์ห้าไม่ได้ต้องใช้เกียร์หนึ่งมันถึงจะมีกําลังจะไปภาวนาไปสู้กับกิเลสนี่มันจะต้องใช้ศีลแปดสู้ถ้าศีลห้านี้สู้ไม่ไหว เพราะศีลห้ามันมีช่องให้ใจหลบไปเที่ยวกันแทนที่จะไปสู้กับกิเลสมันหนีกิเลกกันถ้ามีศีลห้านี่เดี๋ยวคิดถึงแฟนก็ไปนอนกับแฟนละถ้าถือศีลแปด น, นี่นอนไม่ได้คิดถึงแฟนก็ไปนอนไม่ได้หนีไปนอนกับแฟนไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิแทนต้องมาเดินจงกรมแทนตอนเย็นอยากจะหนีไปกินข้าวก็กินไม่ได้แล้วถ้าถือศีลแปด มานั่งสมาธิแทนแตนั่งสมาธิใจสงบแล้วจะอิ่มกว่ากินข้าวอกีกใจจะอิ่มกว่ากินข้าวอกีกใจจะไม่หิวนี่คือการถือศีลแปดเพื่อจะได้ปิดประตูไม่ให้ใจมันหนีไปเที่ยวให้มันมาสู้กับกิเลสให้มันมาฆ่ากิเลสโดยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมา เพื่อจะได้ใช้สมาธิใช้ปัญญานี้เป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าความอยากไม่ได้ต้องมีสมาธิมีปัญญาแล้วมันจะฆ่าความความอยากได้พอฆ่าความอยากได้หมดก็สบายตัวที่สร้างความวุ่นวายใจก็คือกิเลสความอยากนี่แหละเหมือนบ้านเมืองนี้ถ้าบ้านเมืองเราไม่มีขโมย ไม่มีคนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็สงบอยู่อย่างสบายที่วุ่นวายกันทุกวันนี้ก็เพราะคนไม่เคารพกฎหมายกันคนทำผิดกฎหมายกันก็เลยทำให้บ้านเมืองวุ่นวายกันไม่ใช่อะไรที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่ใช่เพราะไม่พอกินเงินไม่พอใช้โรงพยาบาลไม่พอรักษาไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัปญหาหล้วของพวกนี้ปัญหาพวกนี้แก้ได้ง่าย ปัญหาที่แก้ยากก็คือคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยแก้ยากทันใดใจเราก็เหมือนกันนะปัญหาที่ทําให้ใจเราวุ่นวายกันเดือดร้อนกันทุกกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือความอยากนี้คือกิเลสนี้เท่านั้นถ้าไม่มีกิเลสแล้วไม่มีปัญหาอยู่กับอะไรก็ได้อยู่กับความรวยก็ได้อยู่กับความจนก็ได้อยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้อยู่กับ การไม่มียศถาบรรดาศักก์ก็ได้มีสรรเสริญก็ได้ไม่มีสรรเสริญก็ได้ไม่เดือดร้อนใจไม่มีความอยากเราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรจะสบายตลอดเวลาจะสุขตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้รู้ไม่ได้ยินกันถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาและการจะมาเจอพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ของง่าย พระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในโลกนี้ไปตลอดแล้วนานๆจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเป็นหลายล้านล้านชาติกว่าจะมีพระพุทธศาสนาโผล่ขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแล้วจังหวะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ก็ไม่รู้จะเป็นจังหวะเดียวกับที่มีพระพุทธศาสนาโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าบางทีตอนมีศาสนาเราอาจจะอยู่ในอบายอยู่ในนรกก็ได้ พอกลับมาจากอบายกลับมาจากนรกอาศาสนาหายไปหมดละก็ต้องรอศาสนาอันใหม่อีกไม่รู้กี่ล้านชาติชาตินี้เราได้เจอของดีละของวิเศษลนะได้เจอคนนำทางได้เจอคนสอนให้เราไม่ต้องมามีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆถ้าเราปฏิบัติตามเดี๋ยวเราก็จะหมดทุกข์หมดห่วงหมดกังวล จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่ต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาหรือเจอแล้วไม่สนใจก็ก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวพวกเราว่าเราจะเชื่อคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือเปล่า เชื่อว่าทำบุญละบาปนี้จะทำให้เรากลับมาเกิดดีขึ้นไปตามลำดับภบชาติต่อไปจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำบุญละบาปได้ทำบุญมากขึ้นมากขึ้นชาติพบชาติก็จะดีขึ้นไปแล้วถ้าเราบวชได้อยู่แบบนักบวชได้ตัดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาทุกขมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตาย ไม่ต้องมาวุ่นวายอย่างที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ก <Yeah. S 1> ็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ถาวาริรวาหาปุราปาริปุรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิจดิระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายอสุขีทีคายุโกภวา อะพิวาธนานสีลิตสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธัมมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาังวันนี้เทศสั้นหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีคำถามคำตอบช่วงภาสังกกตอีกช่วงนึง ก็จะได้เปิดโอกาสตอนนี้ให้พวกที่อยากจะถามปัญหาถามได้หรือใครยังอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาถวายได้อยากจะถามอะไรไหมมาจากที่ไหนกั น, นาากกอ๋อมาไกลนะรู้จักที่นี่ไดเอ๋อถ่ายทอดนะอัะอนนีมีโอกาสผ่านมาทางนี้ให้เพื่อนผ่านมาอืม ถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ถามได้นะช่วงนี้จะเปิดช่วงให้ถามคำถามวันนี้ Facebook เข้ามาเท่าไหร่เลยทางเฟซบุ๊กเข้ามา452ค่ะาทาง YouTube เข้ามา 9.1 ค่ะวันธรรมดาจะมากกว่าวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ส่วนหนึ่งก็มาที่นี่มาฟังสดมาฟังสดเลยไม่ได้ฟังผ่านถ่ายทอดถ่ายทอดก็จะน้อยลง วันเสาร์อาทิตย์นี้300กว่ากับ70กว่าแม่เสียมากี่วันแล้วลนะ่ะยี่ั้งแต่ยี่สิบหกยี่สิบหกกันเนืน2สออาทิตย์ดีแม่จะได้ไปเปลี่ยนร่างกายหน่อยดีคนบอกว่าตั้งแกนโควิดแล้วคุณให้แม่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก บุญก็ต้องถ้าได้ก็ไม่ต้องภาวนากันเนื่อยให้พระพุทธเจ้าอุทิศให้แทนเี่ยอุทิศได้แต่ทานทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศบุญไปแต่บุญภาวนานี่เรายังไม่ได้แลยเราจะไปอุทิศได้ไงภาวนายังไม่ได้ผลมัาจะเอาผลยังไงที่ไหนมาอุทิศอ่ะมันปลูกต้นไม้ตาันก่อนอ่ามันก็ต้องได้ฌานได้อะไรมันถึงจะอุทิศได้ ถ้ามันปลูกต้นไม้แล้วมันยังไม่ออกผลมะ ม, ม้าเนจ่าผลไม้ไปให้ใครเข้าได้นะ่ะอา่ารยมันต้องออกดอกออกผลเลยนั่งสมาธิมันก็ใจต้องรวมเลยมันรวมง่ายที่ไหนมีใครปฏิบัติแล้วใจรวมกันน้ mm hmm. างพระเจ้าถึงสอนให้อุทิศด้วยการทําบุญง่ายที่สุด mm hmm. เนี่ยเสียเงินสักร้อยสองร้อยก็ได้ลนะ mm hmm. ได้บุญแนละ้วอุทิศได้ลนะ mm hmm. นี่จะเอาสินมาอุทิศสินก็ไม่บริสุทธิ์อีกสินก็ขาดขาดเหมือนซื้อเสื้อผ้าขาดไปให้ส่งให้เขาไปอุทิศผลไม้ก็เอามีแต่มีแต่กิ่งไม้ไปไม่แต่ใบไม้ไปยังไม่ออกดอกออกผลเอ่อเช้านี้คุณอาก็มาเนี่ยอาใช่ไหมใช่ครับคุณพ่อคุณแม่สบายดี ยังไปมูนนอกอยอะ่ะ ไ, ไปแล้วครับีแต่วันศุกร์ผมจะไปนครับไปทัวร์เกตแล้วไปเที่ยวก่อนกครับอะไรไปดีมาดี <c oughs> <c oughs> มาจากที่ไหนนายโยมสี่คนเนี้ยมาจากที่ไหนกัน ร้านไงร้นเครืงดนตรีอ๋อร้านเครื่องดตรีอ๋อใช่ยังขายอยู่ป่ะขายอยู่ขายขายดีไหมเงียบเงียบนะช่วงนี้เงียบหมดเลยไปนั่งสมาธิกันบางเทีเราเลยไปนั่งสมาธิกันก็เลยไม่มาซื้อข้าวซื้อของกันะมีใครอยากจะถามอะไรไหม อ่มีก็เข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้จะได้ยินเสียงอ่าถาว่ากาค่าาะถามเรื่องสมาธินะคะอ่คือว่าหนนั่งสมาธิไปสักพักอนึางแล้วค่ะเสร็จ แ, แล้วพอจิตรวมปุ๊บมันจะเหมือนแบบเป็ น, นี้ใช่ไหมคะันเป็นแสงนะคะสีแชมพูอ่อนแล้วอพอคนเจอแล้วันุก็จะกลัว ม, นะมันพุ่มหนึ่งมันเหมือนไฟอะค่ ะ, ะคือหนูกลัวหนูก็เลยแบบถึงเต้นแล้วทีนี้ก็อยู่แค่นั้นตลอดเป็นระยะเวลาน่าแต่หลายปีแล้วค่ะเวล า, าหนูเ น, นี่ยเวลาหนูนั่งหนูใช่อะไรกํากับใจหรือเปล่าตอนแรกหนูใช้พุโทโธค่ะอะแล้วพอตอนหลังเจอพระอาจารย์ที่เขาบพุทโธคนหือ่งตอนแรกหนูจะพุโทโธแล้วกําหนดลมหายใจใช่ไหอคะและ้วตอนหลังเจอพระอาจารย์ให้กําหนดที่การ ที่คิ้วที่หัวคิค่ะแล้วก็บริการพูดโหมันเดิมอ๋อแต่ไม่ต้องกำหนดลมหายใจอ๋อแล้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งจิตมันจะนิ่งก่อนออแล้วมันก็วู้เหมือนมันไปอะค่ะเหมือนมันไปในถ้าอะไรสักอย่างเลยแต่ก่อนที่หนูจะไปในถ้ามันเหมือนเป็นแสงก่อนนะคะก็ได้เหมือนเจ็ดสีเหมือนเหมือนสายฟ้าอ๋อแล้วพอกําลังมันจะหมุนแรงมากเลยอืมเสร็จแล้วหนูก็พอจิตหนูเนียงมันก็จะเหมือนพุ่งไป ถ้ากลัวหนูจะแบบสั่นมากเลยค่ะหนูกลัวก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมาสิใช้พุทโธพุทโธเหมือนเดิมใช่ไหมคกลับมาหาพุทโธพุทโธท่านจนกว่ามันจะนิ่งถึงหยุดพุทโธได้แล้วที่กลัวต้องทําังไงะก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธมันก็จะหายกลัวไปเลยหรือคะอ่าอย่าอย่าสงจิตพุทโธอีกก็ไม่เห็นอะไรเี้ยก็ไม่ต้องการให้เห็นอะไรเลยเห็นแล้วมันดีที่ไหนเห็นแล้วก็กลัว คือหนูเข้าใจว่าพอเจอแสงหมุนหมุนๆนะใชหมอ่ายังไม่ใช่สมาธิหรอกจิตมันยังแสดงอาการอยู่แสดงมันยังมันยังไม่ไม่สงบต้องพุทโธต่อไปที่หนูอยู่อย่างนี้หลายปีแล้วหนูไปไหนอ่าก็หนูไม่พอเวลาต่อมันขับรถได้ครึ่งทางก็จอดแล้วก็ไม่ขับต่อก็คือต้องนั่งบริกรรมพุทโธต่อไปใช่จะ้องการมันจะนิ่งสงบเงียบทุกอย่างหายไปหมดเนี่ยก็หยุดพุทโธ อันนี้คือถูกทางล้วใช่ไหมก็มาครึ่งทางอย่างไปไม่ถึงสุดสุดทางต้องพุทธโทรต่อไปเหมือนขับรถไปเมืองชนไปแค่ศรีราชาก็จอดละไม่ขับต่อแต่ว่าถ้าหนูอยู่ที่บ้านคือสีลมันไม่บริสุทธ แต่พอถ้าหนูได้ไปบวชที่วัดเหมือนถือศีลแปดอ่ะมันจะนั่งปัเดเบียงหนูได้สมาธิอย่างนี้เลยค่อถ้าศีลเบอรสุดมันก็จะช่วยให้ได้ได้ผลเร็วขึ้นศีลนี้ก็ช่วยใช่ไหมช่วยนั้นพยายามรักษาศีลให้บอยสุดถ้าอยากจะภาวนาได้ผลดีอยากจะนั่งสมาธิได้ผลดีต้องถือศีลแปดถึงจะดีใช้เวลาหนูท <c oughs> ำสมาธิในศีลแนี่คือดีมากค่ะ แต่ถ้าทำที่บ้านทำยังไงก็ไม่สง บ, สงบเอพราะเหมือนปลูกข้าวบนภูเขากับปลูกข้าวบนในนามันไม่เหมือนกันภูเขาน้ามันน้อยดิน ม, มันน้อยเหมือนกับปฏิบัติที่บ้านกับปฏิบัติที่วัดไม่เหมือนกันแต่เวลาเวลาที่หนูฝ <c oughs> ึกตอน <c oughs> บวดใช่ไหมล่ะคะแล้วพอตื่นเช้ามามันก็จะเป็นเหมือนที่หนูนั่งสมาธิอีกอะค่ะ ก็น่ารวมใช่ไหมมันยังไม่รวมมันทําท่าจะรวมเลยอ๋อคือเป็นตลอดเลยเวลาตื่นคู่เหมือนนั่งมวยกำลังไหว้คู่อยู่ยังยังไม่ต่อยอ่าต้องพุทโธต่อไปอย่าไปสนใจมันจะทําท่าอาการอะไรอย่าไปสนใจเราก็พุทโธพุทโธของเราไปอย่าไปตามรูมันกลับมาที่พุทโธดึงใจกลับมาให้อยู่ที่พุทโธแล้วเดี๋ยวมันจะนิ่งจะสงบแล้วจะสบาย ตอนนี้มันเหมือนกำลังมันกําลังเต้นรามันยังไหว้โคอยู่มันยังไม่ยอมเข้าสู่ความสงบนะนะลองก็พุโทโธต่อไปเรื่อยๆอจนกว่าสงบสบายนิ่งแล้วนะก็หยุดพุโทโธได้ถ้ายังไม่สงบยังไม่สบายก็พุโทโธต่อไปอยังถามนะพุโทโธนี่ต้องต้องกําหนดลมหายใจไหมไม่ต้อ ง, อ ง, ลลงมไม่ต้องไม่จําเป็น แต่อยากจะกำหนดก็ได้ไม่กำหนดก็ได้บางคนพูดโทรอย่างเดียวแล้วมันไม่ไมรู้สึกกระชับก็เลยเอาเอารมณ์มาช่วยกันหนึ่งแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันเกะกะยุ่งยากแล้วแต่จลิตบางคนชอบง่ายๆก็พูดโทรอย่างเดียวบางคนชอบให้มันยากหน่อยก็พูดเข้าโทรออกก็ได้แต่พูดเข้าโทรออกมันก็จะมีปัญหาถ้าอยากจะบริการให้มันเร็วขึ้นก็ทาไม่ได้ บางทีจิตมันฟุง้งจะไปพูดข้าวโทรออกมันก็เอาไว้อยู่เอาบริกรรมอย่างเดียวให้มันเร็วขึ้นให้มันถี่ขึ้นมันก็จะเอาความฟุ้งได้สู้ความฟุ้งได้เราบางทีก็ต้องเหมือนขับรถนะอาจจะต้องรู้จักวิธีต้องเปลี่ยนเกียร์เวลารถวิ่งช้าวิ่งเร็วนี้ก็ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ให้มันเหมาะสมกับความเร็วจิตเราก็เหมือนกับรถบางทีมันก็เร็วบางทีมันก็เฉย บางทีก็ฟุง้งบางทีก็ไม่ฟุง้งเวลาฟุ้งก็ต้องใช้วิธีหนึ่งเวลาไม่ฟุ้งก็ใช้วิธีหนึ่งเราทดลองดูเวลนั่งสมาธิก็สำคัญคือต้องมีอะไรกากับใจไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันสงบเองมันไม่สงบเดี๋ยวมันจะแสดงอาการแปลกๆต่างๆให้เราเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะกลัว หรือจะลงคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วอันจริงมันเป็นเพียงอาการของจิตเล่นละครหลอกเราเรียกว่ามายาเราไม่ต้องการให้จิตเป็นแสดงอาการในเวลานั่งสมาธิเราต้องการให้มันหยุดให้มันนิ่งเพราะเวลามันนิ่งมันจะมีความสุขมากแล้วจะมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไป เวลานั่งต้องมีสติกำกับใจยามมีพุโทโธก็ได้มีลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือตอนต้นอาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ามันฟุ้งมากก็สวดมนต์ไปก่อนถ้านั่งแล้วมันเครียดมันตึงดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปสักร้อยจบก่อนก็ได้สวดไปภายในใจนั่นละนั่งหลับตานั่งสมาธิสวดไป พอรู้สึกใจเบาสบายไม่ฟุง้งก็ลองดูลมหายใจต่อไปก็ได้หรือลองพูดโธอย่างเดียวก็ได้ทําไปจกนกว่าจิตจะนิ่งไม่คิดอะไรแล้วรู้สึกสบายมีความสุขก็ก็หยุดแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆให้มันนิ่งไปนานๆอย่าพึ่งไปทำอะไรอย่าพึ่งไปทางปัญญาทางปัญญานี้ต้องรอเวลาออกจากสมาธิก่อนเวลาจะละปะ เจริญปัญญานี้มีมีมากเจริญได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิแต่เวลาในสมาธินี่เราไม่ต้องการให้จิตทําอะไรเหมือนร่างกายเวลานอนหลับเราไม่ต้องการให้ร่างกายทําอะไรต้องการให้ร่างกายพัก<ๆ>จะได้มีกําลังอ้านอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ออกมาจะได้มีกําลังมาทํางานได้อย่างเต็มที่ถ้านอนหลับปั๊บก็ปลุกขึ้นมาทํานู่นทานี่เดี๋ยวมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรง จิตก็เหมือนกันพอจิตสงบแล้วอย่าไปดึงมาใช้พิจารณาทางปัญญายัางไม่ใช่เวลาเราให้จิตพักให้เต็มที่แล้วถอนออกมาเองพอถอนออกมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดทางปัญญาต่ออย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยให้มันคิดพิจารณาร่างกายอย่างที่เมื่อกี้สอนพิจารณามาร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำมุมไฟเป็นอาการสามสิบสอง ที่เกิดแก่เจ็บตายไปสอนนี้บ่อยๆไม่ให้ลืมถ้าไม่สอนมันจะลืมมันจะไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาคิดว่าเราเป็นนายกรนายอขึ้นมามีตำแหน่งนั้นมีตำแหน่งนี้ขึ้นมามีเงินมากน้อยขั้นแทนที่จะมองความจริงของร่างกายกับกายไปมองส่วนที่ไปติดไปเกี่ยวข้องกับร่างกายคือฐานสถานภาพต่างๆ เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเป็นนายกนายขอเป็นข้าราชการเป็นอะไรต่างๆไปหมดเลยมองไม่เห็นตัวร่างกายไม่เห็นว่ามันเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นว่ามันเป็นแค่อาการสามสิบสองไม่เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำหนุนไฟไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราต้องพยายามหม่นคิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่คิดใจเราจะไปคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอาทิตย์บดีเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอ แล้วก็คิดเรื่องเงินเรื่องทองที่จะใช้ที่จะหาได้มาแล้วว่าคิดเรื่องเที่ยวไปที่นู่นที่นี่เลยลืมเรื่องร่างกายไปหมดเลยเลยไม่รู้ว่าร่างกายเป็นอะไรกันก็เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราอย่างเดียวพอมันเป็นอะไรก็ตกใจกันมากลัวขึ้นมาแต่ถ้าคิดอยู่บ่อยๆว่ามันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเป็นตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่ง<ม>เดี๋ยวแก่แล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราใช้มันอาศัยมันเป็นเหมือนคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็ใช้มันพาเราไปนู่นมานี่ทํานู่นทํานี่แต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องขอลาออกจากงานเพราะมันทํางานไม่ไหวเพราะมันแก่มันเจ็บมันตายก็ใช้มันไม่ได้แล้วตอนนั้นก็จะทุกข์แล้วถ้าใช้ใช้ร่างกายไม่ได้แต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้ก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ต้องใช้ร่างกาย นั่นคนนั่งสมาธิได้นี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาอยากจะมีความสุขก็พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเดียวก็สุขล้ะคําถามทางบ้านนะคําถามจากคุณนิสากรค่ะหนูนั่งสมาธิคือมีอาการเหมือนขับเปิดตาเปิดแล้วจะมีแสงสว่างรอบตัวเองหนูจะเห็นตัวเองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวทุกอย่างขณะที่นั่งสมาธิอยู่ บางครั้งยังคิดว่าตัวเองแอบรืมตาดูสิ่งที่เกิดกับหนูใช้อาการของสมาธิไหมคะไม่หรอกหนูไม่ได้นั่งดูพุโทโธเลยไม่ได้นั่งดูลมเลยไปดูไอ้ของพวกนี้ เ, น<ม>เวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจของพวกนี้ให้อ ย, อยู่ให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมนีม่นั่งสมาธิทีไรไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยว่าอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมมีแต่นั่งแล้วเห็นนูน่นเห็นนี่ไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นั่งสมาธิเขาเรียกว่านั่งดู ดูมายาดูของหลอกของปลอมจิตมันหลอกเราจิตมันเล่นกลให้เราดูหลอกเราแล้วเราก็งงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร <S 2> <S 2> <S 2> เราไม่ต้องการดูของเหล่านี้เราต้องการดูพุทโธพุทโธอย่างเดียวดูว่าจิตเราอยู่กับพุทโธหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าต้องการให้รู้แค่นี้อย่างอื่นอย่าไปสนใจมันถ้าเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมเดี๋ยวของต่างๆมันจะหายไป จิตนั้นไม่สามารถมาหลอกเราได้พอเราไม่ไม่มีอะไรควบคุมมันมันก็มาหลอกเราให้เราเห็นหนูน่นเห็นนี่แล้วก็สงสัยว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาเการนั่งสมาธิง่ายๆ ย, ยังไม่ยอมอ่านหนังสือกันเลยนั่งแล้วก็มาถามว่านี่เป็นสมาธิหรือเปล่าไม่อา่านดลสมาธิมันเป็นยังไงฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยนั่งมันต้องดูตามนั้นดล อันนี้นั่งเราก็เห็นนู่นเห็นนี่เห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงแล้วก็มาคิดว่านี่เป็นสมาธิหรือเปล่าไม่เป็นหรอกคำถามฝากถามค่ะเมื่อมีความดักชางสุขทุกในใจการใช้อุบายบริกรรมพุทโธพุทโธไปนั้นลูกพอจะเข้าใจแต่อุบายที่ว่าให้ทำใจนิ่งๆเฉยๆ ไม่ต้องไปเป็นอะไรกับเขานั้นต้องประกอบกับธรรมะข้อใดบ้างขอคําแนะนําด้วยค่ะก็นี่แหละต้องมีสติถ้ามีสติมีกําลังก็ทําให้ใจเฉยได้ถ้าใจไม่เฉยก็พุโทโธไปลวลาเห็นอะไรเล่าลักเล่ า, ลาชังก็ก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายลักหา ย, หายชังเองคํถาถามจากคุณขวัญเดือนค่ะเราจะหยุดความอยากได้อย่างไรคะเพราะบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทําไม่ได้ค่ะ ตอนต้นก็หยุดด้วยพุโทโธเนี่ยหยุดด้วยสติอย่าปล่อยให้ใจคิดพุโทโธพุธโทโธไปมันก็หยุดได้พอหยุดได้หยุดด้วยพุโทโธได้ขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาหยุดมัน NOISE สอนมันบ er> อก e ว่าการทําตามความอยากยปาเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขการทําตามความอยากเป็นการไปเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากจะไปเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากจะไปหาความทุกข์ก็อยากไปอยากหยุดความอยาก อยากได้แฟนพอได้แฟนมาแล้วทุกกับแฟนหรือ่าหรือสุกกับแฟนอย่างเดีย ว, วยออถ้าไม่มีแฟนจะทุกไหมไม่เห็นไหมก็เห็นชัดๆัดอยู่แค่นี้ก็คือปัญญาแล้วแต่ไม่เห็นกันเพออยากก็ปลื้มหมดเลยเห็นแต่สุขอย่างเดียวได้แฟนแล้วจะมีความสุขเมันก็เลยหยุดความอยากไม่ได้ ท, ทันทีพอไปเห็นว่ามันเป็นสุขกันเห็นกาแฟนดื่มแล้วก็มีความสุข ก็เลหยุดดื่มกาแฟไม่ได้สักทีแต่เวลาไม่มีกาแฟดืม่มแล้สุขแล้วทุกข์ว่ะคำถามจ้าคุณซีซั่นค่ะมีคนแถวบ้าน้ายยาบ้านจนโวยมากปูกบ้านหลังละสามสิบล้านอยู่สุขสบายมาเป็นสิบปีแล้วค่ะกับคนที่หายกินสุดจริตและแทบจะไม่มีกินผลบบปการมันช้ามากจนทำให้หลายๆคนในสังคมมองไม่เห็นว่ามันมีจริงคนหลายคนละเลยต่อบาปบุญ ก็ไปดูผลผิดที่ไงผลที่เกิดจากทําบุญทําบาปไม่ได้อยู่ที่รวยหรือจนเข้าใจไหมอยู่ที่สุขหรือทุกข์คนที่อยู่บ้านสามสิบล้านมันอาจจะนอนตาไม่หลับก็ได้มันคอยก็กังวลว่าตํารวจจะมาจับมันเมื่อไหร่แต่คนที่ไม่ทําผิดก่อมานี่นอนขอทานนี่นอนใต้สะพานสบายไม่เดือดร้อนไม่ไม่ทุกข์นั้นเราดูผลของบุญของบาปผิดที่ ต้องดูที่ใจผลของบุญของบาปมันอยู่ที่ใจส่วนเงินทองนี้มันทําบุญรวยก็ได้ทําบาป ก, ก็รวยได้เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องทําทําบุญอย่างเดียวถึงจะรวยทําบุญบจะจนกว่ารวยสิเพราะทําบุญต้องเสียเงินทําบาปไม่ต้องเสียเงินมีแต่ได้เงินทําบาป ก, ก็รวยเลยทําบุญมันต้องจนอะเราตึงทํากันที่ใครทําทบุญเพื่อให้จนทเข้าใจไหมเพราะจนแล้วจะสบาย จะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินทองไอ้พวกที่รวยเนี่ยทุกข์เพราะกังวลกับเรื่องเงินทองอยาก ไ, ได้มากมากแล้วก็อยากไม่ให้มันเสียอยากไม่ให้มันหมดมันก็เลยทุกข์กังวลคนที่ไม่อยากรวยนี่สบายพอมีพอกินก็ใช้ได้แล้วไม่เดือดร้อนคําถามจากคุณแม่ <c oughs> ดาวค่ะ <c oughs> ขา อ, อกาสสอบถามพระอาจารย์ว่าการศึกษ า, าพระอภิธรรมมีความจําเป็นหรือไม่คะ ก็ถ้าศึกษาวิธีนั่งสมาธิวิธีเจริญปัญญาก็จาเป็นอันนี้ก็อภิธรรมแล้วศีล ส, สมาธิปัญญานี้ก็อภิธรรมแล้วทมสูงสุดแล้วทมที่เราควรจะรู้ก็มีสามข้อนี้เท่านั้นรู้วิธีรักษาศีลรักษาอย่างไรบ้างวิธีนั่งสมาธินั่งอย่างไรวิธีเจริญปัญญาเจริญอย่างไรแค่นี้ก็พอแล้วได้สามวิชานี้ก็ไปถึงนิพพานแล้ว ไม่ต้องไปเรียนเจตสิกไม่ต้องไปเรียนเออะไรให้มันมากมายเกินความจําเป็นให้รู้แค่สามข้อเนี้ไตสิกขาเขาเรียกว่าไตาสิกขานักบวชที่นักบวชพระพเจ้าสอนให้เรียนแค่นี้แหละไม่ได้สอนให้ไปเรียนอรพิธรรมอรพิธรรมนี่มันเป็นเป็นธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนวิชาแถมอย่าเงี้ยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ อภิธรรมนี้ไม่ไม่ไม่สำคัญรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้สิ่งที่สําคัญต้องรู้ก็คือตายสิกขารู้ศีลสมาธิปัญญาตอนนี้เรามีศีลหรือเปล่าพวกเรียนอภิธรรมนี่บางทีศีลขาดเป็นศีลห้ายังรักษาไม่ได้ยังโกหกอยู่นี้มาเรียนมาทําไมเรียนแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถปฏิบัติตายสิกขาได้เรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์อยู่ที่การปฏิบัติตายสิกขา ถ้าเรียนอะไรแล้วไม่สามารถมาเสริมการปฏิบัติให้ให้ดีได้ก็อย่าไปเรียนมันถ้าศึกษาไปแล้วยังรักษาศีนหน้าไม่ได้ก็อย่าไปเรียนมันศึกษาแล้วนั่งสมาธิไม่ได้ก็อย่าไปเรียนมันศึกษาแล้วไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็อย่าไปเรียนมันให้เรียนแค่นี้พอให้เรียนแค่สีสมาธิปัญญาพอคําถามจากคุณเพนจัน์ค่ะ ลักษณะภายนอกของผู้ที่เป็นโสดาบันเป็นอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนที่คนธรรมดาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได่งอขึ้นมาหรอกเวลาเป็นโสดาบันณ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะจะรู้เป็นหรือไม่เป็นต้องคุยกันเหมือนกับนักด็อกเตอร์คนจบด็อกเตอร์มาอยากจะรู้ว่าเขาจบไม่จบก็ต้องคุยกับเขาถ้าเราเป็นด็อกเตอร์แล้วก็คุยกับเขาเราก็จะรู้ แต่ถ้าเราต่ำกว่าเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาเขาจบหรือไม่จบถ้าเราจบแค่โทรแล้วเราไปคุยกับคนที่เขาบอกเขาจบเอกนี่เราคุยไงเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจบเอกหรือเปล่าฉันใดถ้าเราเป็นปุถุชนเราไปคุยกับพระสวัสดาบาลเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าอแต่ถ้าเราเป็นสวสดาบาลแล้วเราคุยกับเขานี่เราจะรู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าอย่างน้อยจะรู้ว่าเขาต้องถ้าเขาเป็นอย่างน้อยก็แต่ถ้าเขาเป็นสูงกว่านั้นเราก็ไม่รู้อีก าอาจจะไม่ได้เป็นโสดาบันอย่างเดียวก็ได้ก็าอาจจะเป็นพาาาระอรหันต์แล้วก็ได้แต่คูกับเขาอย่างน้อยเราก็รู้ว่าอันนี้ต้องเป็นโสดาบันนะเพราะมันรู้เหมือนกูรู้เนี่ยใช่ไหมแต่ที่มันรู้มากกว่ากูนี่กูไม่รู้คําถามจากคุณกานิกาค่ะถ้าเราอยากใช้ชีวิตทางโลกและทางธรรม ให้อยู่ร่วมกันได้แบบไม่มีปัญหาโยมจะต้องใช้ชีวิตเช่นไรด้วยคะมันไม่ได้หรอกน้ําร้อนกับน้ําเย็นมันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นเลยอยากเอาแบบอุ่นๆเนอะร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นเวลากินกาแฟนี่ชอบเอาของเย็นกับของร้อนมาปนกันน่ะมันก็ต้องแยกกันใช่ไหมคนชอบกินกาแฟร้อนก็ร้อนไปเลยคนชอบกินกาแฟเย็นก็เย็นไปเลยทางธรรมก็บทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เย็นไปเลย ทางโลกก็ร้อนไปเลยเออมทางใดทางหนึ่งอถ้าอยากจะไปทางโลกก็ไปเลยอถ้าอยากไปทางทัพก็ไปบวชเลยแต่ถ้ายังอยู่ครึ่งกลางๆก็อยู่แบบเหมือนกระเทย อ, อยู่เงี้ยคนก็ไม่มีใครเขาเคารพนับถือชาวบ้านก็ไม่เคารพนับถือแต่ถ้าไปบวชแล้วเออเขาจะได้เคารพนับถือว่าเออเป็นพระแล้วบวชแล้วยัน ถ้ายังอยากจะอยู่แบบครึ่งๆกลางๆมันก็จะมันก็จะไม่ได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนักพี่เสียดายน้องดีไม่ดีเดี๋ยวไม่ได้ทั้งสองอย่างพี่ก็ไม่ได้น้องก็ไม่ได้เพราะเขาจะทิ้งเราหมดนะงั้นถ้าอยากจะไปทางไหนก็เลือกไปมันสักทางหนึ่งเลยดีกว่าจะไปทางธรรมก็พยายามไปทางธรรมให้ได้คำถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะแม่ไม่ชอบผู้ชายคนนี้ แต่ลูกสาวชอบไปครบทำให้แม่ใจอันนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะว่าเป็นความทุกข์ใจที่เกิดจากการการกระทำของแม่เองเกิดจากความอยาของแม่เองเหมือนพระพุทธเจ้าไปบวชพ่อกระทุกใช่ไหอแต่ไม่ได้ทุกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปทุบตีพ่อที่ไหนถ้าไปทุกตีพ่า อ, อย่างนี้ก็บาปแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแม่เขาไม่ชอบ คนที่เราชอบมันก็ช่วยไม่ได้มีคำถามข้อที่สองค่ะแม่ชอบว่าลูกสาวทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความผิดแล้วลูกสาวเถียงอันนี้บาปไหมครับก็ไม่ควรนะลูกไม่ควรจะเถียงแม่พ่อแม่ควรจะเคารพพ่อแม่พ่อแม่จะว่าอย่างไรผิดถูกก็คนละเรื่องกันเรื่องเถียงกันเรื่องผิดถูกคนละเรื่องกันผิดถูกเราก็รู้ของเราไปก็แล้วกัน ถ้าแม่เขาว่าเราผิดแล้วเราไม่ผิดก็เราก็รู้ไปก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแต่ไม่ต้องไปเถียงแม่ปล่อยให้แม่ว่าไปให้แม่สบายใจอย่าไปทำให้แม่เสียใจเพราะการเถียงแม่นี่เป็นเหมือนกับเราไม่เคารพแม่และคำถามจากคุณณพลค่ะผู้ชายที่สามารถคบแฟนได้ทั้งสองเพศ คือชอบผู้ชายก็ได้ชอบผู้หญิงก็ได้เช่นนี้จะใช้ชีวิตได้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ไหมครับไม่หรอกมันเป็นทางโลกล้วนๆมันจะไปทางธรรมได้เลยทางธรรมมันก็ต้องไม่ไม่คบใครต้องถือศีลแปดถึงจะไปทางธรรมได้คําถามจากคุณสอนค่ะใจโยมันเอาแต่ใจมากๆค่ะอยากจะได้ทั้งสองทางคือยังอยากลิ้มรสลูก ลดกินเสียงแต่อีกใจก็รู้นะคะว่ามีความแก่ตายเป็นเบื้องหน้าโ <c oughs> ยมก็สวดมนต์เดินจงกลมนั่งสมาธิเป็นปกติทุกวันค่ะแต่ใจมันล้ามากๆค่ะพระอาจารย์มีอยู่ายแนะนำใหม่คะให้เบื่อในการอยากลิ้มรสรูปรถกินเสียงค่ะก็คิดความคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆเนี่ ย, ยพุทธยาสอนให้เราเรามึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกๆวันวันอย่างน้อย อย่างน้อยภาทนาอนอนท์บอกว่าวันละสีหครั้งพระพุทธเจ้ายังบอกน้อยไปต้องพยายามนึกบ่อยๆนึกเรื่อยๆพอมันเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะมีความกระตือรือร้นขึ้นมาว่าให้ต่อไปก็เที่ยวไม่ได้ต่อไปก็หาความสุขจากทางร่างกายไม่ได้แล้วะั้นตอนนี้ต้องรีบหาความสุขทางใจกันละถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันลืมมันคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกัน คำถามจากคุณจุธารัตน์ค่ะคูบายถอนอัตตาถือดีในตัวตนของตนเองแบบรวดเร็วที่สุดต้องทําอย่างไรคะทาตัวเราให้เป็นเด็กไงทำตัวเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่ยไปโรงเรียนอนุบาลนี่ครูบอกอยังไงทําตามทุกอย่างคิดว่าเราเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นคนรับใช้เจ้านายสั่งเลยรับครับผมอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวอ ก็ ล, ลดอัตาตัวตนทำตัวให้ต่ำที่สุดทำตัวให้เป็นขอทานทำตัวให้เป็นคนรับใช้คนทำทำตัวให้เป็นคนต่ำต้อยแล้วจะจะจะทำให้เราไม่ถือตัวไม่ถือดีคำถามจากคุณสมศักดิ์ค่ะนั่งสมาธิมีความสุขถ้านั่งสมาธินานๆานจะส่งผลอะไรครับก็มีความสุขมากๆากเลย คำถามจากคุณสุริรค่ะการบรรลุธรรมขั้นโสดาบันจะรู้ได้อย่างไรคะว่าบรรลุธรรมเช่นระดับของสมาธิของความกระจ่างด้วยค่ะอ๋อสุดาบันก็พิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บไม่ใช่เราความเจ็บอยู่ที่ร่างกายเราไม่ได้เจ็บร่างกายตายเราไม่ได้ตายก็ไไกลเลยไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย ไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือนก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นคือร่างกายแต่ร่างกายไม่ได้เป็นเราคือแยกใจออกจากร่างกายได้ใจเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นอะไรก็รับได้ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดเสียวไม่ท้อแท้เบื่อหน่าย บางคนพอไปหาหมอหมอบอกเลยสามเดือนไม่มีกระจิตกระจายอยากจะทําอะไรแล้วใจเป็นไปแล้วใจใจป่วยแล้วก่อนไปหาหมอี่ใจดีพอไปพอเจอหมอปั๊บใจกลับป่วยแทนร่างกายป่วยมากกว่าร่างกายเลร่างกายมันป่วยมาตั้งแต่ก่อนไปหาหมอแล้วแต่ใจไม่ป่วยใช่ไหมใจยังครึกยังยังล่าเริงเบิกบานอยู่คิดว่าเจ็บท้องนิดเดียวเดี๋ยวไปหาหมอดูทั้งหน่อย พอหมอบอเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอยู่ได้แค่สามเดือนใจเลยป่วยขึ้นมาทันทีเลยเพราะใจหลงไปยึดติดกับร่างกายคิดว่าใจเป็นร่างกายแต่ถ้าคอยหมั่นแยกร่างกายออกจากใจอยู่เรื่อยสอนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเนื้อมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอถึงเวลามันเป็นก็จะทำใจได้แจะรักษาให้ใจไม่ป่วยได้ไม่ทุกข์ได้ถ้าไม่ป่วยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นโสดาบันได้ คำถามจากคุณลาวิวันค่ะอาการสลดมันมาให้เห็นค่ะใจฝ่อฝต้องทำอย่างไรคะก็ใช้พุโทโธหยุดนันก่อนพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็พอไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจเราฝ่อมันก็จะหายไปเดี๋ยวถึงประมาณสักยี่สิบก็ก็จะหยุดถามครับถามภาษาไทยพอในวันนี้จะมีภาคภาษาอังกฤษต่อ มีคำถามทางภาษาอังกฤษส่งมาทางอีเมลรวบรวมไว้เดี๋ยวจะต้องตอบคำถามทางภาษาอังกฤษนั้นภาษาไทยก็ได้สองสามข้อก็แล้วกันมีไหมคำถามหมดแล้วหมดแล้วเลยเออหมดแล้วที่นี่มีใครอยากจะถามอีกไหม อ, อ, อีกหนึ่งคำถามเอาเลยเมื่อตอนสมัยน่นนนนาจะต้าขวบปาจาคือหนูไม่เคยไปวัดแล้วหนูก็ไม่เคยทาสมาธิ แล้วหนูว่าขาฟื้นเล่าอยู่ดีๆมันลูบไปเลยพระอาจารย์เสร็จแล้วมันบอกหนู ว, ว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์มไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างเราเอาจิตไปจับมันเองแม้กระทั่งหนูส่วนของร่างกายองเร อ, อันนั้นคือภาวะอะไรคะก็ะสัญญามความจาเดิมเลยียที่เราเคยพิจารณามาในอดีตชาติแล้วเวลาหนูนั่งสมาธิหนูก็ต้อง ความรู้สึกตรงนั้นใช่ไหมคะถึงจะเป็นจิตรวมใช่ไหมคะอ่าความรู้สึกนั่นมันไม่มันจะเรียกว่ามันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิมันมันเรื่องของสัญญาความจําที่เราจํามาในอดีตแล้วความจํานี้มันมาสอนเราอีกทีมาเตือนเราว่าอไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราอันนั้นคือจิตโง่ว่างใช่ไหมไม่ไม่ว่างมันว่างแตมันคิดอยู่เพียงแต่มันคิดในทางธรรม มันจะวูบไปเลยอะค่ะแล้วทอนที่หนูไม่รู้เรื่องทธรรมะเนยมันมันวูบยังไงมันวูบแล้วถ้ามันนิ่งมันก็ว่างถ้ามันไม่คิดอะไรมันก็ว่างถ้ามันยังคิดอยู่มันก็ไม่ว่างมันคิดหรือเปล่าอ่ะมันไม่ได้คิดอะค่ะคือหนูล่างเ่าฟื้นแล้วหนูก็จ้องตรงนี้ดกลัวมีดจะบาดจะาดเอยก็เลยแบบเหมือนมันวูบไปอ่ะตอนนันตอนนั้นมันมีสติมันก็เลยทําให้จิตนิ่งสงบขึ้นมาพอสงบแล้วปัญญาก็โผล่ขึ้นมามาบอกว่าเอไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรา แล้วถ้าทีนี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทํามันก็คือเสื่อมไปใช่ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราเอามาใช้มันอยู่ตลอดเวลาเปล่า ถ, ถ้าใช้มันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เสื่อมเชนเรามาดูร่างกายทุกครั้งล้วก็ดูว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่ไปกังวลไม่ไปวิตุกก็มันก็ไม่เสื่อ ม, อมแต่ถ้าเราไม่เอามาใช้ยังมาลักตัวกลัวตาอยู่มันก็เสื่อมก็เป็นบางครั้งอ่าก็ยังถ้าเป็นบางครั้งก็แสดงว่ามันเสื่อมบางครั้ง ถ้าเวลาไหนไม่รักตัวกวัวตายก็แสดงว่ามีปัญญาเนลาไหนพอรักตัวกลัวตายขึ้นมาก็ปัญญาหายไปกิเลสโผล่ขึ้นมาแทน <c oughs> ก็ยังแสดงว่ายังไม่รู้อย่างต่อเนื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ <c oughs> พยายามต่องพยายามทำให้มันต่อเนื่อง <c oughs> ต้องคอยมาสอนต่อสอนใหม่ต่อคอยเตือนใจต่อว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> สอนต่อสแสดงว่ามันยังสอนไม่ได้อย่างตลอดเวลายังจำไม่ได้ตลอดเวลาต้องมาสอนให้มันจำให้ได้ตลอดเวลาเวลาทาข้อสอบจะได้ทำได้เวลาร่างกายแก่เจ็บตายจะได้ไม่ทุกข์อาจารย์เอาแล้วนะสำหรับญาติโยมพอนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะถาทางภาษาอังกฤษ แต่ถ้าใครอยากจะฟังต่อก็ฟังได้นะไม่ได้ไล่กับแต่ว่าเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องมันจะหาว่าเราไม่เมตตานะก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน